วันนี้เป็นวันจันทร์ที่3 ม, มิถุนายนพุทธศักราช2567เป็นวันหยุดราชการเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาเรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำมาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่จิตใจให้จิตใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงวันนี้เราจะมาฟังคำตอบของคำถาม ที่ถามว่าการเกิดดีหรือไม่ถ้าถามคนที่ไม่ฉลาดก็จะบอกว่าการเกิดนี้ดีเพราะเมื่อเกิดแล้วจะได้มาหาความสุขจากสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นมาหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิน่นรสผลิตภัชนิดต่างๆแต่ถ้าไปถามพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันตาสาวกของพระพุทธเจ้าท่านก็จะตอบว่าการเกิดไม่ดีการเกิดเป็นทุกข์เพราะเมื่อเกิดแล้วก็จะต้องเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วย เจอกับความตายทุกคนไม่ว่าจะเกิดมารวยหรือจนเกิดมาใหญ่หรือเล็กสูงหรือต่ำฉลาดหรือไม่ฉลาดเมื่อเกิดมาแล้วร่างกายของทุกคนก็จะต้องเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บเจอกับความตาย เจอกับการพัาดพาดจากกันเจอกับการที่จะต้องไปเจอกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาต่างๆนี่คือความทุกข์ต่างๆที่เวลามาเกิดจะต้องเจอกันซึ่งทุกคนที่มาเกิดนี้คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งต่างๆที่พูดถึงนี้หมายถึง ความแก่ความเจ็บความตายการพัดพากจากกันมันทำให้ใจเราทุกข์กันเพราฉั้นการมาเกิดนี้จึงถือว่าเป็นการมาหาความทุกข์กันถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ไม่อยากเจอความทุกข์ถ้าอยากหุดพ้นจากความทุกข์ก็ต้องไม่มาเกิดเท่านั้น ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่าทุกย่อไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นศาบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ราบนั้นก็ยังต้องมีความทุกข์อยู่แม้จะเกิดมาดีก็ตามเกิดมาร่ำรวยเกิดมาเป็นใหญ่เป็นโตเกิดมามีความสมบูรณ์ในทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการ ก็หนีความทุกข์ไปไม่ได้นี่แหละคือเหตุที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะพระราชกุมารเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินต้องตัดสินใจออกบวชเพื่อที่จะไปหาวิธีหยุดการเกิดหาวิธีหยุด ความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายและหลังจากที่ได้ทรงศึกษาได้ปฏิบัติอยู่หกปีพระองค์ก็ได้ทรงพบกับคำตอบว่าอะไรเป็นเหตุที่พาให้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันแล้วอะไรที่จะทำให้ ยุติการเกิดการแก่การเจ็บการตายได้เมื่อพระองค์ได้ทรงค้นพบความจริงและนํามาไปปฏิบัติพระองค์ก็สามารถยุติการกลับมาเกิดใหม่ได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาเจอกับความทุกข์ ของความแก่ความเจ็บความตายอีกต่อไป <c oughs> หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์กันก็มีผู้ที่สนใจได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำมาไปปฏิบัติ จนในที่สุดก็ได้หลุดพ้นจากความทุกข์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปแล้วก็ทำหน้าที่ช่วยพระพุทธเจ้าสั่งสอนผู้อื่นต่อไปการสั่งสอนก็เมีการสืบทอดมา ตามเวลาตามยุคตามสมัยก็มีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุมีการหลุดพ้นจากความทุกข์กันมาตามลำดับจนมาถึงปัจจุบันนี้การที่เราจะหยุดการมาเกิดได้เราต้องมีพระพุทธศาสนาเป็นผู้มาสอนเรา ถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้ว่าเรามาเกิดได้อย่างไรอะไรเป็นเหตุที่พาให้เรามาเกิดและการเกิดนี้มันให้ความสุขหรือให้ความทุกข์กับเรากันแน่เราจะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เราก็จะ วุ่นวายอยู่กับการหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้คือหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ <c oughs> จากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระไป <c oughs> โดยที่ไม่รู้ว่าการหาความสุขจากสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการก่อภพก่อชาติต่อไปอีกคือ <c oughs> หลังจากที่เราตายจาก พบนี้ชาตินี้ไปแล้วการกระทาของเราในการที่เราหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้จะเป็นตัวที่จะพาให้เรากลับมาเกิดใหม่อีกนี่คือเป็นสิ่งที่จะไม่มีใครรู้ไม่รู้ว่าเหตุที่พาให้เรามาเกิดนี้ได้แก่อะไรคืออะไร จะรู้ก็ต่อเมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาได้ยินได้ฟังก็ทำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าจะไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ตามแต่การได้พบคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็ถือว่าเหมือนกับได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพวกเรา จะไม่อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าจะไม่อยู่ปราศจากพระศาสดาเพราะว่าผู้ที่จะมาทำหน้าที่แทนพระศาสดาก็คือพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการจดจำและได้มีการบันทึกเก็บเอาไว้ในพระคัมภี์ที่เรียกว่าพระไตรปิฎก ถ้าเราอยากจะเรียนรู้คำสั่งคำสอนจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเราก็สามารถเรียนได้จากการไปศึกษาในพระคัมภีร์พระไตรปิฎกนี่เมื่อเราศึกษาแล้วเราก็จะได้รู้ว่าพุทธเจ้าสอนว่าอะไรเป็นเหตุที่พาให้พวกเรามาเกิดกันอยู่เรื่อย เหตุที่พาให้พวกเรามาเกิดกันอยู่เรื่อยๆนี้คือตัณหาความอยากต่างๆมีสามรูปแบบด้วยกันสามตัณหาด้วยกันตัณหาข้อที่หนึ่งก็คือกามตัณหาความอยากเศษกามกามนี้ก็คือกามกุลห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสพผฏพพะชนิดต่างๆ พวกเราทุกคนนี้ไม่ต้องมีใครสอนเรื่องการมะตัณหาทุกคนอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดพพากันอยากกินอยากดื่มอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากดมกลิน่นอยากไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอันนี้แหละเรียกว่ากามาตัณหาความอยากจะเสพ รูปเสียงกินรสผลสะพัชนิดต่างๆแล้วก็ความอยากชนิดที่สองก็เรียกว่าภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากอยู่ดีกินดีอยากนล่ออยากรวยอยากสวยอยากงามอยากให้มีคนรักคนชอบอยากให้คนยอกย่องสรรเสริญเป็นต้น อันนี้ก็คือความอยากชนิดที่สองเรียกว่าภาวะตัณหาความอยากชนิดที่สามก็คือความอยากไม่มีวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ยากจนอยากไม่แก่อยากไม่ตายอยากไม่ให้ผู้อื่เขาเขาละหานินทาดูถูกเกลียดหยาม ต่างๆเหล่านี้เรียกว่าวิภาวะตัณหาความอยากทั้งสามนี้แหละเป็นตัวที่จะคอยผลักดันให้ใจของเราไปเกิดใหม่เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปความอยากที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ <c oughs> มันยังอยู่ในใจมันไม่ได้ตายไปกับร่างกาย และความอยากที่จะหาความสุขจากสิ่งต่ตางๆในโลกนี้จะเป็นตัวที่จะผักดดวงวิญญาณให้ไปหาร่างกายอันใหม่มเพราะการที่จะมาอยู่ในโลกนี้ได้มาหาสิ่งมาหาความสุขจากสิ่ง ต, ต่างๆที่มีในโลกนี้ได้เราจาเป็นจะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือต้อง ม, ม, มีร่างกายที่มีตาหูจมูกลิ้นกาย ก็เราจะได้ใช้ตาดูใช้หูฟังใช้ลิ้นไว้ลิล้มรสใช้จมูกไว้ดมกลิ่นแลใช้ใช้ร่างกายไว้สัมผัสกับผพพะสิ่งที่มาสัมผัสกระทบกับตัวร่างกายเช่นความแข็งความนุ่มความอ่อนความหนาวความร้อนเป็นต้นอันนี้เรียกว่าโผธพะ พอใจของเรานี้เมื่อเกิดความอยากขึ้นมาแล้วมันจะต้องตอบสนองความอยากให้ได้เพราะถ้ามันยังไม่ได้สามารถตอบสนองความอยากได้ความอยากนี้มันจะสร้างความรู้สึกไม่มีความสุขเกิดขึ้นในใจสร้างความรู้สึกหงุดหงิดเศร้าซ้อยง่อยเหงาว้าวเว ภราศจากความสุขจึงต้องไปเสพซึ่งก็เป็นเหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดดีๆนี่เองคนที่เสพอะไรแล้วติดนี่จะต้องหามาเสพอยู่เรื่อยเวลาใดที่อยากแล้วไม่ได้เสพนั้นเวลานั้นจะรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกทรมานจิตใจจนทนไม่ไหว ในน่สยก็ต้องดิ้นหาให้จนได้หรือถ้าไม่ได้ก็ต้องทนทรมานไปจนกว่าความอยากมันจะนั ง, งับไว้ชั่วข่าวมันหยุดไว้ชั่วข่าวแต่ไม่นานเดี๋ยวมันก็กลับฟื้นขึ้นมาใหม่มนี่แหละคือตัวที่พาให้ดวงวิญญาณของพวกเราทุกคน ที่ตายจากโลกจากภพก่อนชาติก่อนที่แยกออกจากร่างกายของภพก่อนชาติก่อนนี้มาได้รับร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่ในภพนี้ชาตินี้แล้วก็เป็นตัวที่จะคอยสั่งให้ร่างกายไปหาราบยศสารเสริญไปหาลูกเสียงกิน่นรดมาเสพอยู่เรื่อย เวลาเกิดความอยากก็เกิดความทุกข์เวลาอยากแล้วไม่ได้สิ่งที่อยากก็เกิดความทุกข์เวลาได้มาแล้วความทุกข์ก็จะสงบตัวไว้ชั่วคราวแล้วถ้าเกิดสูญเสียสิ่งที่ได้มาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกดนันไม่ช้าก็เดี๋ยวสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มาเป็นมาเสกมาเป็นสับัติ ของเรามันก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวมีเกิดก็มีดับได้มีเจริญก็มีเสื่อมได้มีการเปลี่ยนแปลงจากดีไปเป็นของไม่ดีได้เวลามันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเสื่อมเกิดการดับมันก็ทำให้ใจทุกข์อีกเพราะนั้นการมาเกิดนี้มันจึงเป็นการมาหาความทุกข์กันโดยไม่รู้สึกตัว คิดว่าสิ่งที่อยากได้นั้นจะมาให้ความสุขตลอดเวลาแต่มันให้ได้เพียงชั่วระยะเวลาหนึง่งแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วมันก็จะเปลี่ยนจากการให้ความสุขกลายเป็นให้ความไม่สุขไม่ทุกข์บ้างหรือให้ความทุกข์บ้างขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่เราได้มาให้ความสุขกับเรา อันนี้แหละตัวที่พาให้เรามาเกิดอยากเจ็บตายกันก็คือความอยากทั้งสามนี้อยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดอยากร่ำอยากรวยอยากได้าดรากรสสนเส ร, ริญอยากได้ตําแหน่งสูงๆแล้วได้มาแล้วก็อยากไม่ให้สูญเสียไปอยากจะเก็บเอาไว้อยากจะรักษาเอาไว้ให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆ ใจก็รักษาให้อยู่กับเราไปไม่ได้ตลอดเวลาเพราะในที่สุดร่างกายที่เป็นเครื่องมือมันก็ต้องแก่เจ็บตายไป <c oughs> พอมันแก่เจ็บตายไปสิ่งต่างๆที่เราหามาได้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอะไรต่างๆใจก็ไม่สามารถเอาติดตัวไปด้วยได้ใจก็ต้องไปตัวเปล่า ไปกับความหิวกับความอยากแล้วก็ถูกความหิวความอยากได้สิ่ ง, งต่างๆนี้พาให้ไปเกิดใหม่อีกรอบหนึ่งนี่คือวิถีชีวิตของจิตใจของพวกเราทุกคนพวกเรานี้เวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อย่างต่อเนื่องตายจากภพนี้ก็ไปเกิดในภพใหม่ แล้วก็ไปตายใหม่แล้วก็ไปเกิดใหม่มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆที่เขาเรียกว่าสังสารวัฏวัะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดตัวที่ผลักให้เราเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็คือตัวตัณหาความอยากนี่ถ้าตราบใดเราไม่รู้ว่ามันเป็นตัวพาให้เราเวียนว่ายตายเกิด เราก็จะไม่ยับยั้งมันเราก็จะไม่หยุดมั น, มนเราก็แทนที่จะไปยับยัง้งเรากลับไปคิดว่ามันเป็นตัวที่จะพาให้เราไปหาได้ความสุขกั น, นเราก็จะสนับสนุนมั น, มนให้มันมีกำลังที่จะคอยสั่งให้เราไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆอยู่เรื่อยๆ ม, มันก็จะไม่มี การอ่อนกำลังลงแต่มันจะมีกำลังเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันจะทำให้เราต้องกลับมาเวียนล่ายตายเกิดต่อไปอีกเรื่อยๆไม่มีวันชื่นสุดแล้วเมื่อเรามาเกิดเราก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ต่างๆต้องมาร้องห่มร้องไห้ถ้าเราอยากจะรู้ว่า การเวียนว่ายตายเกิดของเรานี้มีมากน้อยเพียงไรมีกี่รอบด้วยกันพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าให้เราเอาน้ำตาที่เราหลั่งในแต่เราพบแต่ละชาตินี้มารวบรวมกันท่านบอกว่าน้ำตาที่เราเคยหลั่งมาแล้วนี้มันมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรคิดดูซิว่าเราจะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย กี่รอบด้วยกันมาล้องห่มล้องห้ากี่รอบด้วยกันถึงจะได้น้ําตามากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรอัน<ม>นั้นแหละคือเครื่องวัดความทุกข์ของใจของพวกเราที่ได้ผ่านความทุกข์มาอย่างโชคโชนแต่ก็ไม่รู้ไม่มีการเข็ดหลาบมไม่มีความรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัว<ม>กลับไปถูกความหลงที่ครอบงมจิตใจ เราให้เห็นว่าการมาเกิดนี้เป็นสิ่งที่น่ายินดีน่าปรารถนา mm hmm. เพราะเมื่อได้มาเกิดแล้วก็จะได้ทําตามความอยากต่างๆนั่นเอง mm hmm. อนานาจะมีคนฉลาด mm hmm. คือพระพุทธเจ้านี้ที่มามองเห็นความจริงของการมาเกิดว่ามันเป็นเป็นทุกข์เป็นเหมือนการมาอยู่บนกองไฟ การมาเกิดนี่มันอยู่เหมือนกับมาอยู่บนกองทุกข์ทุกข์ตั้งแต่เกิดเลยก็ว่าได้เด็กที่ออกมาที่ทอดออกมาจากท้องแม่ไม่มีเด็กคนไหนที่หัวเราะที่ยิ้มแย้มจ่มใสใมีความสุขเด็กทุกคนออกมาต้องร้องไห้กันทั้งนั้นเสียงดองเพราะว่าต้องเริ่มทํางานนะเริ่มต่อสู้กับความทุกข์ต่างๆความทุกข์แรกที่ต้องต่อสู้ก็คือ ความทุกในการ อ, า อ, อยู่ไปอยู่รอดความทุกข์ของการอยู่รอดอถ้าอยากจะอยู่รอดสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือต้องหายใจเองเวลาที่อยู่ในท้องแม่นี้ไม่ต้องไม่ต้องหายใจเองอาศัยอลมหายใจของแม่มาหล่อเลี้ยงแต่เวลาออกจากท้องแม่มาแล้วนี่ ไม่สามารถอาศัยลมหายใจของแม่ได้แล้วถ้าอยากจะอยู่ให้อยู่ต่อไปก็ต้องร้องฮะก็ก็ต้องหายใจเองที่ร้องเพราะว่ามันขาดลมหายใจมันไม่มันจะตายถ้าไม่หายใจเองก็เลยมีการกระตุ้นให้เกิดการหายใจเองได้แล้วนับตั้งแต่วันนั้นป่ปตั้งแต่วินาทีนั้นมา วินาทีแรกของการหายใจก็จะต้องหายใจไปเรื่อยๆตลอดชีวิตหยุดการหายใจไม่ได้เลยหยุดการหายใจเมื่อไหร่ก็ถึงแก่ความตายเมื่อนั้นคิดดูสิมันสุขหรือมันทุกข์ที่เราต้องคอยหายใจอยู่เรื่อยแล้วต้องคอยหาอากาศที่บริสุทธิ์มาให้หายใจ ถ้าไปเจออากาศที่เป็นพิษก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายนอกจากต้องหายใจเองแล้วก็ต้องต้องกินเองต้องหาอาหารเองต้องกินเองเช่นแม่ต้องป้อนนมต้องดื่มน้ําเองแล้วก็ต้องดูแลร่างกายให้สะอาดต้องขับถ่ายเองเป็นต้น อันนี้เป็นภาระทั้งนั้นเป็นงาน<ม>การทำงานนี้มันเป็นเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์กันานเราส่วนใหญ่ไม่ชอบทำงานเพราะรู้ว่าทำงานแล้วมันทุกข์สู้การไปเที่ยวไม่ได้การไปเที่ยวมันเนสุขแต่ชีวิตนี้มันไม่ได้มีแต่การเที่ยวอย่างเดียวมันมีการทำงาน<ม>ทำงานเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่รอดไปในแต่ละวัน อนี้ก็คือความทุกข์ของการมาเกิดไม่มีใครคิดแบบนี้กันนอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่คิดแบบนี้เพราะท่านเป็นคนฉลาดรอบคอบคิดหลายหลายแง่หลา ย, าลายมุมด้วยกันคิดอย่างรอบคอบไม่คิดเพียงด้านเดียวคนไม่ฉลาดนี้จะคิดแต่ด้านบวกของการมาเกิด มาเกิดแล้วะจะได้มีร่างกายพาเราไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆเวลาได้เงินได้ทองมาก็เกิดความสุขเวลาได้ยศได้ตำแหน่งก็มีความสุขเวลามีคนสรรเสริญยกย่องเยินยอก็มีความสุขเวลาได้เสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ถูกใจก็เกิดความสุขขึ้นมา แต่ไม่เห็นว่าลาบยศสาระเสริญและลรูปเสียงกิจรดนี้มันเป็นของที่ไม่แน่นอน<ม>เป็นของที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามขึ้นได้มีขึ้นมีลงได้เงินได้ทองมาเดี๋ยววันหนึ่งเงินทองก็อาจจะหมดไปได้เง<ม>ินทองที่เกยเข้ามาอาจจะไม่เข้ามาก็ได้พอเงินทองไม่เข้ามาก็เดือดร้อนกันนะ พอมีหนี่มีสินมีอะไรต่างๆที่ต้องเอาไปจ่ายมีค่าใช้ใจ่ายต่างๆพอเงินทองขาดมือขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความทุกข์ความวุ่นวายใจตามมาทันทีเช่นเดียวกับยศราบเช่นเดียวกับยศตำแหน่งต่างๆเวลาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนั้นๆเป็นนี่ก็ดีใจกันเลี้ยงฉลองกันเจ็ดวันเจ็ดคืน แต่วันดีึ้นดียศตำแหน่งที่ได้มีอยู่ก็อาจจะหายไปก็ได้เช่นถ้าเป็นข้าราชการทำงานไปถ้าทำผิดก็อาจจะถูกเลื่อนยศนงก็ได้หรืออาจจะถูกปลดออกจากงานไปเลยก็ได้ถ้าทำงานที่ผิดมีโทษอุนแรงหรือเวลาไม่ผิด ก็เมื่อเวลาถึงเวลาอายุหกสิบปีเขาก็จะให้ลาออกจากงานยศที่เคยได้เขาก็จะถอดออกไปหมดเวลานั้นก็อยู่เป็นคนธรรมดาไปอยู่แบบไม่มีบริษัทบริวารมาห้อมล้อมมาคอยรับใช้ตอนที่มียศมีตำแหน่งนี้มีบริษัทมีบริวารมาห้อมล้อมมาคอยรับใช้มีาคอยยกย่องสรรเสริญเยืนยอ พอไม่มีปั๊บมันก็รู้สึกเหงารู้สึกว่าวิขึ้นมารู้สึกเศร้าขึ้นมาอันนี้คือธรรมชาติของราบยศสรรเสริญธรรมชาติของรูปเสียงกลิ่นรสที่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อ ย, อยการมาเกิดเพื่อมาหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้กับกายเป็นการมาเกิดเพื่อมาหาความทุกข์จากสิ่งเหล่านี้ โดยไม่รู้สึกตัวแต่ก็ไม่เคยคิดแบบนี้ไม่เคยคิดว่ามันเป็นความทุกข์ที่จะต้องแก้ไข <thôi. S 2> เมื่อมันสูญเสียไปวิธีแก้ไขก็คือไปหามาใหม่เมื่อเ <then. S 2> งินทองหมดก็ต้องไปหาวิธีใหม่หาวิธีหาเงินหาทองมาใหม่เมื่อเสียตำแหน่งไป <ด yn. S 2> ก็ต้องหาวิธีไปหาได้รับตำแหน่งใหม่ zon. อาจจะไปหางานใหม่ไปทาที่ใหม่ <c oughs> อะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะพยายามดิ้นรนต่อสู้คอยไปหาสิ่งใหม่ๆมาทดแทนสิ่งเก่าๆที่เสื่อมไปที่หมดไปแต่สิ่งใหม่ๆที่ไปหามาได้มากน้อยเพียงไรมันก็เหมือนกับสิ่งเก่าๆนั่นแหละมันเป็นอนิจจังเหมือนกันมันเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันได้มาใหม่ๆมันก็อาจจะให้ความสุขกับเราต่อไปพอมัน เก่าเข้ามันก็เปลี่ยนไปได้มันก็แทนที่จะให้ความสุขมันก็กลับจะมาให้ความทุกข์กับเราอีกนี่แหละคือความทุกข์ที่เรามาเจอกันนอกจากที่ต้องเจอกับความทุกข์ของร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแนละ้วเรายังต้องมาเจอกับการพัดภาคจากสิ่งที่เรารักเราชอบคือพัดภาคจากราบยศสรเสริญจากความสุขของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพชนิดต่างๆนี่เ และจะต้องมาเจอกับความทุกข์ที่ต้องมาเจอกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาะเหตุการณ์ต่างๆที่เราไม่ปรารถนาะบุคคลที่เราไม่ปรารถนาะบุคคลที่โหดร้ายทารุณบุคคลที่ไม่มีความเมตตาเป็นต้นอันนี้ก็จะมาท่างความทุกข์ทรมานให้กับใจเราเป็นผลที่เกิดผลผลที่ตามมาจากการมาเกิดกันดังนั้น สิ่งที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นว่าการอะไรเป็นเหตุที่พามาให้มาเกิดแล้วยังรู้ได้ว่าเหตุที่ทำให้มาอยากมาหลงกับการมาเกิดนี้ก็คือการไม่เห็นความทุกข์นั่นเองวิธีแก้ปัญหาก็พระเจ้าก็เลยต้องสอนให้ผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ให้มองความมองให้เห็นความทุกข์ ให้เห็นว่าความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์<ม>การพัดพรากจากการเป็นทุกข์<ม>ให้เห็นแล้วก็ให้จดให้จําไว้ไม่ให้หลงไม่ให้หลงยึงทงสอนผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ให้พยายามสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าเมื่อเกิดมาแล้วเราย่อมมีความแก่เป็นธรรมดา ลวงพ้นความแก่ไปไม่ได้เราต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาลวงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ลวงพ้นความตายไปเป็นธรรมดาต้องต้องพบกับความตายเป็นธรรมดาลวงพ้นความตายไปไม่ได้ต้องพัดภากจากกันเป็นธรรมดาลวงพ้นจากการพัดพากจากกันไปไม่ได้ ให้สอนอยู่เรื่อยๆให้สอนจนกระทั่งให้ใจยอมรับความจริงนี้ให้ได้ไม่หลงไม่ลืมไม่ให้ต่อต้านความจริงอนี้ไม่ให้เกิดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พัดพากจากกันเพราะ ถ, ถ้าเกิดความอยากนี่แหละเป็นตัวอยากนี่แหละเป็นตัวที่จะสร้างความทุกข์ให้กับใจแล้วก็เป็นตัวที่จะพาให้ใจไปเกิดใหม่อีก อ น, นี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าหลังจากที่ทรงตัดสัตวแล้วดูแล้วว่าเหตุที่พาให้พวกเรามาเกิดแก่เจ็บตายมาทุกข์กับสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็เกิดจากการหาความอยากอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้าเราไม่อยากที่จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเราก็ต้องมายุติความอยากเหล่านี้ให้ได้ ด้วยการเบื้องต้นด้วยการให้เราเราเลิกถึงความทุกข์ที่ของที่เกิดมาจากการมาเกิดก็เราจะได้รู้สาเหตุว่าทําไมาเราต้องมาหยุดการเกิดกันทำไมาเราต้องหยุดมาหยุดความอยากต่างๆกันเพราะว่าความอยากต่างๆนี้มันจะพาให้เรากลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยเมื่อเกิดแล้วเราก็จะต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายเจอการพักผ้าจากกันไปอยู่เรื่อยๆ เพื่อเราให้เราเพื่อชี้ให้เราเห็นว่าการมาเกิดนี้มันไม่ได้เป็นสุขสุขที่ได้มันเป็นความสุขแบบสุขอำพรางสุขที่อำพรางความทุกข์ไว้ทำให้เรามองไม่เห็นว่ามันเป็นความทุกข์กลับไปเห็นว่าการมาเกิดเป็นความสุขเพราะว่าเราสามารถหาความสุขอำพรางต่างๆได้หาความสุขจากลาบยศสนเสริญจากลูกเสียงเกียรอนลดถอดถ้าพระ มันก็เลยทำให้เราหลงผิดเป็นชอบไปเห็นว่าการได้ลาบยศรเสริญได้เศษรูปเสียงกลิถถ่นรสโผฏฐะนั้นเป็นความสุขเพราะเราไม่ได้มองด้วยปัญญามองไม่เห็นเราไม่ได้มองทั้งสองด้านคือด้านทุกข์ก็มีอยู่ด้านสุขก็มีอยู่ไม่ใช่มีแต่ด้านสุขอย่างเดียว ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามองในโลกนี้ว่าจะให้ความสุขกับเรานี้มันไม่ได้ให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวไม่ช้าก็เร็วต่อไปมันก็จะพลิกเปลี่ยนไปจะแทนที่จะให้ความสุขกลับจะมาให้ความทุกข์กับเราอันนี้ถ้าเราไม่มีปัญญาเราจะมองไม่เห็นกันเราจะมองไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการสิ้นสุดลงเวลามันสิ้นสุดเมื่อมัน พลิกหน้ามือเป็นหลังมือคนที่เคยรักเราวันดีคืนดีอาจจะกลับมาเกลียดชังเราขึ้นมาแล้วมันก็จะทำให้เราต้องเจอกับความทุกข์อย่างแสนสาหัสคนที่เคยรักแล้ววันดีคืน ด, นดีก็มาเกลียดชังเราอย่างนี้มันจะทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะเราไม่คิดกันไว้ล่วงหน้าก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนได้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน คนที่รักเราวันนี้พรุ่งนี้อาจจะเกลียดชังเราก็ได้คนที่ยกย่องสรรเสริญเราในวันนี้พรุ่งนี้อาจจะนินทาคลรหานินทาเราก็ได้สิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในวันนี้พรุ่งนี้เราอาจจะสูญเสียมันไปก็ได้อันนี้ต้องมองแบบปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามองแบบปัญญาเราจะเห็นว่าเป็นเหมือนเหรียญเหรียญสองด้านเหรียญมันไม่มีด้านเดียวมันมีทั้งหัวมีทั้งก้อย สิ่งต่างๆที่เรามาหากันให้ความสุขกับเรามันก็เป็นสองด้านมีสองด้านด้านที่เป็นสุขและด้านที่เป็นทุกข์กันแต่เราไม่มองทางด้านที่เป็นทุกข์เราเลยไม่ได้เตรียมตัวรับกับความทุกข์เวลามันเกิดการเปลี่ยนแปลงพอมันเปลี่ยนแปลงมันเไรก็สร้างความทุกข์อย่างแสนสาหัสให้กับเราแต่ถ้าเรามองไว้ล่วงหน้าก่อนว่ามันเปลี่ยนได้ จากสุขมันจะกลายเป็นทุกข์ได้มันก็จะทำให้เราเตรียมรับมือกับความทุกข์ได้เวลามันทุกข์เราก็จะไม่ทรมานใจเราก็จะรู้สึกเฉยๆว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องของอนิจจังสิ่งใดที่เป็นอนิจจังมันจะต้องเป็นทุกขังตามมาอย่างแน่นอนจากสุขมันก็จะกลายเป็นทุกข์ไปจากดีก็กลายเป็นไม่ดีไปถ้าเรา รูล่วงหน้าไว้ก่อนเราก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ mm. ถ้าเราสามารถเตรียมตัวเตรียมใจทำใจรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่เราไม่ต้องการได้ mm. เวลามันเกิดขึ้นเราก็จะไม่เสียใจไม่เศร้าใจ mm. ไม่ทุกข์ใจ mm. mm. นี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากการที่เราได้มาเกิด mm. มาพบกับพระพุทธศาสนาการเกิด mm. mm. ของพวกเรานี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นความทุกข์ก็ตามแต่ถ้าได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนานี้ต้องถือว่าเป็นการเกิดที่ที่ดีอย่างยิ่งเพราะว่าจะได้เรียนรู้ถึงความทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดของเราเราจะได้เรียนรู้ว่า อะไรเป็นเหตุที่ทำให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันและจะได้เรียนรู้วิธีที่เราจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้การได้มาเกิดแล้วได้มาเจอกับพระพุทธศาสนานี้อาจจะทำให้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายของพวกเราก็ได้เพราะเมื่อเรารู้เหตุที่ทำให้เรามาเกิดเป็นอะไรและรู้เหตุวิธีที่จะทาให้เหตุที่ทาให้เรามาเกิดนี้ มันหยุดไปทําให้การกลับมาเกิดไม่มีอีกต่อไปเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปอก็จะถือว่าเป็นการเกิดครั้งสุดท้ายเป็นชาติสุดท้ายของเราจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามามาพบกับพระพุทธศาสนาพบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและพบกับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่ ได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว<ม>เพราะว่าการที่เราจะเรียนรู้ศึกษาด้วยตัวเราเองตามลำพังจากพระคมพีนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ยากมากถึงแม้จะอ่านแล้ว<ม>เข้าใจแล้วก็ตามแต่แนวทางของการปฏิบัตินี้เรายังไม่เคยทำมาก่อนเราก็อาจจะทำไม่ถูก ทำแล้วก็ไม่ได้ทำให้ความอยากต่างๆหายไปก็ได้แต่ถ้าเรามีครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอริยสงฆ์เป็นพระสุปฏิปันโนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้คอยสอนคอยบอกวิธีหยุดความอยากต่างๆ <Yeah. S 1> พอเรามีคนสอน <Yeah. S 1> การปฏิบัติก็จะง่ายขึ้น <Yeah. S 1> ถ้าไม่มีคนสอนเราก็ต้องลองผิด <Yeah. S 1> ลองถูก ซึ่งบางทีถ้าเราไม่ฉลาดเราอาจจะหลงทางก็ได้ไปเห็นการกระทำผิดว่าเป็นการกระทำถูกก็ได้แต่ถ้ามีผู้ที่มี ป, ประสบการณ์ผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์จากการปฏิบัติไนดะ้จะรู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าปฏิบัติอย่างไรถ้าได้มีโอกาสได้ศึกษาจากพระสุปฏิปันโนทั้งหลายโอกาสที่จะหลุดพ้น โอกาสที่จะทาให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายก็จะมีมากเพราะว่ามีตัวอย่างแล้วผู้ที่ไปศึกษาไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระสุ ป, ปฏิปันโน่มักจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วก็กลายเป็นพระอาริยบุคคลที่มาสอนผู้อื่นต่อไป เราต้องหาครูบาอาจารย์ถ้าเราต้องการที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเย็นว่าการเกิดถ้าเราปฏิบัติเราศึกษาตามลำพังแล้วมันไม่เกิดผลเพราะว่าเราอาจจะจับวิธีจับทางไม่ถูกก็ได้ถึงแม้จะมีทางแต่ก็อาจจะจับไม่ถูกทางทำไม่ถูกทางก็ได้ก็ต้องไปอาศัยผู้ที่รู้ทางผู้ที่ได้ผ่านการปฏิบัติมาแล้ว จะรู้ว่าทำอย่างไรเรียกว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องทำอย่างไรเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง mm hmm. แล้วมันจะได้รู้ขั้นตอนได้ว่าจะต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนไปด้วย mm hmm. ถ้าไม่มีใครสอนเราก็อาจจะหลงทำข้ามขั้นกันไปแท mm hmm. นที่จะทำขั้นที่หนึ่งก็ไปทำขั้นที่สามเลย mm hmm. mm hmm. มันก็จะไม่เกิดผลขึ้นมา ต้องถามตามขั้นไปธรรมะที่จะมาเป็นเครื่องแก้ความอยากเครื่องเครื่องหยุดความอยากเครื่องที่จะยุติการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงแบ่งไว้เป็นสามขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่หนึ่งท่านก็บอกว่าถ้าเรายังมีเงินทองอยู่อย่าเอาเงินทองไปใช้ตามความอยากอย่าไปส่งเสริมกามตัญหา แน่นยาว เ, เงินทองไปเที่ยวไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอันนี้เป็นการส่งเสริมการเวียนว่ายตายเกิดเพราะมันเป็นการส่งเสริมความอยากเพราะความอยากนี้มันจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเช่นเราไปเที่ยววันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็อยากจะไปเที่ยวใหม่การไปตอบถนองความอยากนี้ไม่ได้ไปการทําให้ความอยากหายไป แต่มันจะทำให้ความอยากมีเพิ่มขึ้นมาอยู่เรื่อยๆวิธีที่เราจะลดความอยากหรือตัดความอยากให้น้อยลงไปนี้ก็คือวิธีการไม่ทำตามความอยากเช่น mm hmm. เรามีเงินมีทางเราคิดว่าเรามีเงินทางเราไปเที่ยวกันดีกว่ามีเงินมีเงินรองเหลือใช้ mm hmm. มีวันหยุดมีเวลาว่างเช่นวันหยุดสามวันนี้ mm hmm. ไปเที่ยวประเทศไหนไหนดีนะ mm hmm. ่ะบินไป mm hmm. จ่ายค่าตัว๋วจ่ายค่าโรงแรมจ่ายค่าอะไรต่างๆอันนี้ไปเที่ยวตามความอยากแต่พอกลับมาแล้วเป็นยังไงความอยากหายไปไหมความอิ่มความพอมีมไหมไม่มีกลับเดี๋ยวไม่นานก็อยากจะไปเที่ยวอีกแล้วอันนี้เราต้องใช้วิธีสกัดด้วยการเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้เอาไปทําบุญทําทานแทนถ้าเรามีเหลือกินเหลือใช้แล้ว ถ้ายังไม่พอกินพอใช้ยังมีหนี้มีศินอยู่<ม>ก็เอาไปใช้หนี้ใช้ศินดีกว่าดีกว่าเอาไปเที่ยว<ม>เอาเงินทองที่เรามีอยู่นี้ใช้เงินทองให้เป็นประโยชน์ไม่เกิดโทษกับจิตใจแือ<ม>ถ้าเราส่วนหนึ่งเราก็ต้องมีเงินทองไว้เลี้ยงดูร่างกายของเราเพราะว่า<ม>ถ้ า, าถ้าเราไม่มีเงินทองเราก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูร่างกายของเราให้อยู่เป็นปกติสุขได้การใช้เงินทองเพื่อ เลี้ยงดูร่างกายนี้ไม่ใช่ถือว่าเป็นการทำตามความอยากมันเป็นการทำตามความจำเป็นการปลดเพื่อหนี้สินก็เป็นถือว่าเป็นการกระทาที่จำเป็นเพราะการมีหนี้มันจะทำให้เราไม่มีความสุขมันจะทาให้เราทุกข์เพราะเราจะต้องคอยกังวลที่จะต้องผ่อนหนี้ส่งหนี้เข้าไปเรื่อยๆดั ง, งนั้นถ้าเกิดเราได้เงินก้อนมาที่เราสามารถที่จะไปชใช้หนี้ได้ ก็เอาไปใช้หนี้ให้หมดเสียจะดีกว่าแบบนี้เป็นประโยชน์แต่ถ้าเอาเงินไปเที่ยวอย่างเี้ไม่เป็นประโยชน์เพราะการไปเที่ยวนี้ก็เป็นเหมือนกับการไปซื้อยาเสพติดเนี่ยยาเสพติดไม่มีคุณประโยชน์อะไรเพียงแต่ให้ความสุขชั่วประเดียวประดาในขณะที่ได้เสพแต่หลังจากที่ฤทธิ์ยามันหมดไปแล้วมันก็จะสร้างความรู้สึกเศร้าซ้อยอง่อยเหงาว้าเวขึ้นมาในใจ มันก็จะทําทให้ต้องไปหายาเสพติดมาเสพต่อไปอีกเรื่อยๆเศพเท่าไหรก็ไม่มีวันอิ่มไม่มีเงินพอจนกระทั่งอาจจะทําให้ไม่มีเงินทองที่มีอยู่ก็อาจจะไม่พอใช้ขึ้นมาก็ได้เมื่อไม่พอใช้ก็อาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินขึ้นมาอีกหรือถ้าไม่กู้หนี้ยืมสินไม่ได้ก็อาจจะไปทําบาปทํากรรมเพื่อที่จะได้เอาเงินทองมาเสพ การใช้เงินทองตอบสนองตันหาความอยากจึงเป็นการสร้างความทุกข์เราจึงต้องพยายามระมัดระวังเรื่องการใช้เงินทองของเราถ้าอยากจะใช้เงินทองให้เกิดความสุขนอกจากการเลี้ยงดูร่างกายรับปดเฟื่องภาระหนี้สินต่างๆแล้วถ้าเรายังมีความสุขอยากได้ความสุขจากการใช้เงินทองพระเาจ้า ก, ก็บอกว่าเอาไปใช้ด้วยการทํามูญทําทาน การทําบุญทําทานนี้จะทำให้ใจมีความสุขมีความอิ่มจะไม่หิวโหวยจะทำให้ความอยากที่จะไปเที่ยวอยากไปทำอะไรตามความอยากนี้มันลดน้อยลงไปเพราะว่าเราเมวลาเกิดความอยากไปเที่ยวแทนที่เราจะไปเที่ยวเราก็เอาเงินไปทําบุญแทนเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการได้ความสุขจากการไปเที่ยวมาได้ความสุขจากการทาบุญ ทำบุญแล้วก็เกิดความอิ่มใจสุขใจแล้วก็สกัดกั้นความอยากไปเที่ยวได้ทำให้ความอยากไปเที่ยวมันอ่อนกำลังลงทั้งต่อไปความอยากไปเที่ยวมันจะไม่รุนแรงแล้วท่านทุกครั้งที่มันอยากไปเที่ยวแล้วเรามีเงินไปเที่ยวเราก็เอาเงินนี้ไปทาบุญทาทานแนทนทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปความอยากใช้เงินตามความอยากมันจะหายไปแต่ความอยากมันยังไม่หายไป แต่ความอยากที่จะเอาเงินไปใช้ตามความอยากนี่มันจะหายไปเพราะเราไม่ใช้เงินแบบนั้นแล้วเราจะใช้เงินแต่เฉพาะสิ่งที่มีคุณประโยชน์กับร่างกายหรือจิตใจของเราเช่นการปลดเปลื้องนี้หรือการทำมึงทำทานหรือการเลี้ยงดูร่างกายนี่คือการใช้เงินทองที่ถูกต้องอย่าใช้ตามความอยากเห็นอะไรสวยเห็นอะไรงามก็อยากจะซื้อขึ้นมาเห็นกระเป๋าเห็นรองเท้า เห็นเสื้อผ้าทั้งๆที่มีอยู่เต็มตู้เต็มบ้านแล้วก็ตามแต่ความอยากนี่มันจะทำให้เรารู้สึกว่าต้องเอาให้ได้ต้องมีให้ได้ถ้าไม่มีแล้วมันจะไม่มีความสุขแล้วเสื้อผ้าต่างๆที่เราซื้อมาต้องเยอะแยะมันมันเคยให้ความสุขกับเราตอนนี้มันหายไปไหนแล้วล่ะเราคิดหรือไม่ว่าเสื้อผ้าใหม่ๆที่เราซื้อมานี้มันก็จะเป็นเหมือนเสื้อผ้าเก่าๆที่เราเคยซื้อมามันให้ความสุขเราชั่วไม่กี่วันเท่านั้น่ะ เวลาที่ได้ไปซื้อมาใหม่ๆก็เพลิดเพลินในความสุขกับมันพอไปสักระยะหนึ่งพอเห็นหน้าเห็นมันบ่อยๆเข้ามันก็เกิดอาการชินชาขึ้นมารสชาติที่เคยได้ความสุขที่ได้จากการได้ซื้อของเหล่านี้ก็หายไปหมดแล้วก็ทําให้เกิดความอยากไปซื้อของใหม่แทนที่แั้นก็จะไปซื้อของมาเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มบ้านเต็มเต็มช่องไปหมดหาที่เก็บไม่ได้ รองเท้ามีไว้เป็นสิบสิบคู่เป็นร้อยคู่ก็มีเพราะเวลาเห็นแล้วมันอยากขึ้นมาแล้วต้องซื้อให้ได้ถ้าไม่ได้ซื้อแล้วมันรู้สึกมันไม่สบายใจมันไม่มีความสุขใจพอซื้อแล้วก็มีความสุขใจประเดี๋ยวประเดาวพอวันหน้ากลับมาที่ร้านขายรองเท้าเห็นรองคู่ใหม่ก็อยากจะได้ขึ้นมาอีกอันนี้แหละถ้าเป็นการใช้เงินตามความอยากใช้เท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มไม่พอ ความอยากมันจะไม่หมดแต่ถ้าเราสกัดมันอย่าไปใช้ตามความอยากเพราะการใช้ตามความอยากมันไม่จําเป็นมันไม่ตายไม่ได้ซื้อรองท้าคู่ใหม่มันก็ไม่ได้ตายไม่ไปเที่ยวมันก็ไม่ตายแล้วใช้มันทําไมใช้มันแล้วมันทําให้มันมาเป็นเจ้านายเราคอยกดดันเราคอยสั่งให้เราไปหาของใหม่ๆของแปลกๆมามาอยู่เรื่อยๆอันี่คือวิธี Ata, เหต in ุผลของการทำทานคือให้เรานี้อย่าเอาเงินทองไปใช้ตอบสนองตันหาความอยาก้เอาเงินทองนี้มาสกัดกั้นความอยากเวลาเกิดความอยากจะเอาเงินทองไปใช้ก็เอาเงินทองที่ความอยากต้องการนี้เอาไปใช้ในทางอื่นแทนเอาไปใช้ในการทำบุญทาทานแทนต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังไป ต่อไปจะไม่มีความอยากที่อยากจะไปเที่ยวอยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยคนที่ทําบุญเป็นประจำนี้จะมีความอิ่มใจสุขใจอยู่บ้านดีกว่าปลอดภัยกว่าเวลาไปเที่ยวโดยเฉพาะเวลาที่ต้องขึ้นเครื่องก็ไม่รู้ว่าขึ้นแล้วเครื่องมันจะตกหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้มันจะทําให้เราคิดอยู่บ้านดีกว่าอยู่บ้านเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดเป็นที่ให้ความสุขกับเรามากที่สุด ไปอยู่โรงแรมขนาดไหนหนูหลาขนาดไหนก็สุ้ อ, อยู่บ้านเราไม่ได้อยู่บ้านเรานี่เราเราชินกับมันเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างไปอยู่ที่โรงแรมบางทีเราก็ไม่มั่นใจว่ามีใครมาแอบจ้องดูเรารอเปล่าก็ไม่รู้มีใครมาติดกล้องไว้ดูเรารึเปล่าเราก็ไม่รู้มีคนเอากุญแจเราไปให้โจลผู้ร้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้ ไม่รู้ว่าดึกๆเวลานอนหลับมันอาจจะมีโจรเข้ามาขโมยเข้าของเงินทองของเราไปก็ได้ไม่ปลอดภัยหรอกเวลาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆการเดินทางก็ไม่ปลอดภัยการอยู่การกินก็ไม่ไม่ไม่ไมไมปลอดภัยเหมือนกับอยู่บ้านเราอ<ม>่านี่ใช้ปัญญาคิดแบบนี้แล้วมันจะทําให้เราสกัดกั้นความอยากในระดับของการใช้เงินทองได้แต่การ การสกัดกั้นแบบนี้ด้วยการทาบุญ ท, ทาทานนี่มันยังไม่ได้ไปสกัดความอยากในรูปแบบอื่นเช่ mm hmm. นความอยากที่จะทำบาปเนี่ยควที่อยากจะได้เงินได้ทองแล้วเงินทองไม่พอใช้ทร mm hmm. มาหากินโดยวิธีที่ถูกกฎหมายก็ได้เงินทองไม่พอ mm hmm. ก็อาจจะคิดหาเงินทองโดยวิธีผิดกฎหมายเช่ mm hmm. นไปทำทุจริตค้ายาเสพติด mm hmm. หรือไปช่อโกงไปลักทรัพย์ของผู้อื mm ่น hmm. ถ้าเราไม่สกัดกั้นความอยากแบบนี้มันก็จะพาให้เราไปทําอยู่เรื่อยๆทําไปแล้วไม่ช้าก็เร็ว<ๆ>ก็ต้องต้องถูกจับไปลงโทษต่อไปคว<ๆ>ามสุขที่ได้จากสิ่สงที่เราได้มาด้วยการทําผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมนี้มันจะไม่คุ้มกับความทุกข์ที่เราจะต้องมาชดใช้ดัง<ๆ>นั้นเราต้องมีศีลข้อที่สองของการปฏิบัติเพื่อสกัดกั้นความอยากก็คือให้เรารักษาศีลศีลห<ๆ>้า ถ้าอยากจะได้อะไรอย่าไปทําด้วยการฆ่าสรรรัตว์ลักทรั พ, รพย์ประพฤติผิดประเพณีหรือโกหกหลอกลวงถ้ายังอยากได้อยู่ก็ทําด้วยวิธีสุดจริตอย่งน้อยมันก็จะไม่เกิดโทษเกิดโทษกับกับผู้กระทำ <med> แต่ก็ทางที่ดีก็อยากไปทําเลยดีกว่าอย่าไปอยากได้เลยดีกว่าเวลาเกิดความอยากอะไรก็ใช้เหตุผลถามตัวเองว่า สิ่งที่เราอยากได้มันจําเป็นจะต้องมีไหมถ้าไม่มีแล้วเราจะตายหรือไม่ถ้ามันตายถ้าถ้ามันไม่มีแล้วจะตายนี้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นนี้จะต้องมีเช่นเราไม่มีข้าวกินอย่างเนี้ยถ้าเราไม่ได้กินข้าวนี้เราจะตายไหมถ้าไม่ได้กินหลายๆวันมันก็ตายได้ถ้าอย่างนี้จําเป็นยจะต้องไปซื้อข้าวมากิอนอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องของความอยากเป <approached S 2> <ต>็นเรื่องของความจําเป็นแตสิ่งใดที่เราอยากได้แล้วมันไม่มีความจําเป็นได้ ที่จะต้องมีไม่มีมานะเรามันไม่ตายเราก็อย่าไปทําดีกว่าเพราะทำแล้วมันก็จะคอยผลักดันให้เราไปทําอยู่เรื่อยๆความอยากมันก็จะไม่มีวันหมดพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าถ้าเรายังอยากทําอะไรในสิ่งที่จําเป็นก็ตามก็อย่าทําด้วยการกระทําบาปเพราะการกระทําบาปนี้จะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วจะพาให้เราเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอเรื่อยๆ แ้จะไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายในทุกขติไม่ได้ไปสู่สุ ข, ขติอันนี้ก็คือวิธีการสกัดหยุดความอยากขั้นที่สองก็หยุดความอยากด้วยการรักษาศีลศีลก็มี2ระดั บ, ระ ด, บระดับต้นก็ศีลห้าระดับที่สองก็ศีล8ศีลแปดก็จะหยุดความอยากเพิ่มมากขึ้นหยุดความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรส เช่นการอยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนนี่ก็เป็นการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องหยุดมันถ้าถือศีลแปด ก, ก็ต้องเป็นการประพฤติพมมหรหมจรรย์คือไม่ร่วมหลับนอนกับใครอยากจะร่วมหลับนอนกับใครก็ต้องหักห้ามจิตใจถ้าเราถือศีลแปดข้อนี้แล้วเราก็จะไม่กินอาหารตามความอยากกินตามเวลากินเหมือนกินยากินพอให้ร่างกายอยู่ได้ไม่ใช่อยากจะกินอะไรก็กินมันตลอดเวลาอย่างนี้เรียกว่ากินตามความอยาก กินตามความอยากก็สร้างความอยากให้มาคอยสร้างภพสร้างชาติให้เราอยู่เรื่อยๆเราก็ต้องสกัดมันด้วยการใช้ศีลแปดนี่ไม่เสบรูปเสียงกลิ่นลดผลิภัเช่นไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่กินอาหารตามความอยากไม่เที่ยวไม่ไปดูหนังฟังเพลงไม่มาไม่แต่งเนื้อแต่งตัวเสริมเผยความงามอเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องกามาตาทั้งนั้นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรดทั้งนั้นก็ต้องระ ง, งับมัน แม้กระทั่งเรื่องนอนก็ต้องนอนอย่าไปนอนให้มันสุกให้มันสบายถ้ามันนอนสุกสบายนอนมึนฟูกหนาะหนาะมันก็จะทําให้อยากจะนอนมากๆมันก็จะติดการนอนมันก็จะทําให้เหล่านี้ไม่สามารถที่จะเอาเวลาต่างๆมาให้กับการสกัดกั้นความอยากในอีกระดับหนึ่งคือความอยากที่เราจะต้องการหยุดอย่างเป็นที่ การที่เราจะหยุดความอยากได้อย่างเต็มที่นี้นอกจากการรักษาศีลนอกจากการทำบุญทำทานนะครับความอยากยังไม่หมดนะถ้าเราทำบุญทำทานรักษาศีลความอยากมันยังมีอยู่ในใจเราอยู่ถ้าเราต้องการให้ความอยากที่มีอยู่ในใจนี้เราหมดเราต้องมาปฏิบัติธรรมที่เราเรียกว่าภาวนาภาวนานี้แบ่งเป็นสองระดับระดับต้นระดับที่หนึ่งเรียกว่าสมถ ภ, ภาวนา หยุดความอยากด้วยการทําใจให้นิ่งแล้วระดับที่สองก็คือวิปัสสนาภาวนาดับความอยากด้วยการใช้ปัญญาด้วยการเห็นโทษของความอยากด้วยการเห็นว่าสิ่งที่อยากได้มามันไม่ได้เป็นสุขเพียงอย่างเดียวมันจะต้องเปลี่ยนไปเป็นความทุกข์ต่อไป อ, อันนี้เป็นขั้นที่สามอของการปฏิบัติเพื่อสกัดกั้นหยุดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ ถ้าเราทําขั้นที่หนึ่งได้แล้วเราก็มาทําขั้นที่สองรักษาศีลห้าศีลแปดพอรักษาได้เราก็มาทําขั้นที่สามต่อไปได้คือมาหยุดความอยากด้วยการหยุดความคิดต่างๆนั่งสมาธิด้วยการใช้สติควบคุมใจสตินี้เป็นเบรกของใจถ้ามีสติแล้วจะหยุดความคิดจะทําใจให้นิ่งให้สงบได้แต่ถ้าไม่มีสติใจก็จะฟุ้งซ่านคิดเลื่อยเปื่อยไป ดังนั้นก่อนที่จะมานั่งธรรมะที่ทำใจให้นิ่งต้องมีสติให้มากก่อนก็ต้องฝึกสติตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยทั้งวันทั้งคืนให้เจริญสติให้มีอะไรกํากับใจกํากับความคิดควบคุมความคิดไม่ให้มันคิดเช่นใช้คําบาลีคำพุทโธพุทโธไปต้องพุทโธไปเรื่อยๆถ้าเราอยู่กับพุทโธพุทโธมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้หรือถ้าเราคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเราก็ได้ ร่างกายเรากําลังทําอะไรก็คอยดูมันไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับการ<ม>ดูเฝ้าดูร่างกายไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติถ้าเรามีการเจริญสติอย่างต่อเนื่องความคิดต่างๆมันก็จะลดน้อยถอยลงไปเวลามานั่งสมาธิเราก็จะสามารถทําใจให้สงบได้เอานั่งสมาธิถ้าดูร่างกายก็เปลี่ยนมาดูลมหายใจเข้าออก ถ้าใช้คำบาลีคำพุโทโธก็ใช้คำบาลีคำพุโทโธต่อไปใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็พอไม่จําเป็นจะต้องใช้ทั้งสองอย่างถ้าเรามีสติพอแล้วใช้พุโทโธอย่างเดียวก็กอยู่ก็สงบได้หรือใช้การดูลมอย่างเดียวก็สงบได้การที่บางคนใช้การใช้ทั้งสองอย่างเพราะว่าไม่มีสติพอจึงต้องมาสร้างสติด้วยการใช้พุโทโธกับการดูลมควบคู่กันไปซึ่งมันก็เป็นการยาก ที่จะทำให้ใจสงบได้ทางที่ดีคนจะฝึกสติให้มากๆก่อนที่เราจะมานั่งดีกว่าถ้านั่งแล้วจิตยังฟุง้งซ่านอย่าเพิ่งมานั่งใช้การเดินจงกรมไปหรือถ้าจะนั่งก็นั่งสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ทำให้จิตมันมีสติมากขึ้นทำให้จิตมันสงบลงไม่ฟุง้งซ่านแล้วถึงค่อยมาดูลมแล้วค่อยมาบริกรรมพุทโธต่อจิตก็จะสงบได้เวลาจิตสงบความอยากต่างๆมันก็จะหยุดทางาน แต่มันไม่ตายด้วยการใช้สติใช้สมาธิเพราะว่าสมาธิเป็นเหมือนหินทับหญ้าหินทับกิเลสเวลาหินไม่ทับหญ้านี้หญ้ามันก็ไม่งอกขึ้นมาแต่เวลาออกจากสมาธิมาก็เหมือนกับเอาหินออกจากหญ้าไปพอหินที่ทับหญ้าเอาออกไปยญ้าพอได้น้ำไ ด, ไ ด, ไ ด, ได้ได้แสงแดดได้อากาศเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาใหม่ได้เพราะรากมันยังไม่ถูกถอนออกจากดินถ้าอยากจะให้หญ้ามันตาย รับเราต้องใช้การถอนรากถอนโคนขุดรากโคนออกมาจากดินหญ้ามันก็จะไม่มีวันขึ้นอีกต่อไปความอยากก็จะหมดไปได้ต้องใช้ปัญญาขุดรากของกิเลสของความอยากรากของความอยากก็คือความหลงนั่นเองความหลงที่ไม่รู้ว่าการทำตามความอยากนี้จะนำพาไปสู่ความทุกข์จะนำพาไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดตอนนี้เราไม่หลงแล้วเรารู้แล้วพระเจ้าสอนแล้วว่า เราอย่าไปทาตามความอยากเพราะอยากแล้วมันจะ ท, ทำตามความอยากแล้วมันจะพาให้เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆถ้่เราไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องอย่าทำตามความอยากถ้าเรามีสมาธิมีจิตที่เข้มแข็งสามารถหยุดความอยากได้เราก็สามารถพอปัญญาบอกให้หยุดความอยากอย่าไปทาตามความอยากเราก็จะหยุดได้อย่างง่ายดายถ้าเรายังไม่มีสมาธิ น, นี้เราจะหยุดไม่ได้ อย่างเช่นตอนนี้ญาติโยมก็ได้ฟังแล้วว่าเราต้องหยุดความอยากก like ันแต่พอเกิดความอยากขึ้นมานี i, ้เราหยุดกันไม่ได้เพราะเราไม่มีสมาธิไม่มีกําลังหยุดแต่ถ้าเราฝึกสมาธิจนกระทั่งเราหยุดความคิดได้เราก็จะหยุดความอยากได้พอเรามีสมาธิแล้วออกจากสมาธิมาพอใจพอปัญญาบอกว่าอย่าไปทําตามความอยากเราก็จะสามารถหยุดการกระทําตามความอยากได้ถ้าเราหยุดด้วยปัญญาด้วยสมาธิแล้ว ความอยากมันก็จะหายหมดไปจากใจเพราะเราเห็นด้วยปัญญาว่าการทําตามความอยากนี้เป็นเหตุที่พาให้เราจะต้องมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆนั่นเองนี่คือขั้นสุดท้ายของการสากัดกั้นความอยากด้วยเครื่องมือ3ามขั้นด้วยกันขั้นที่1ก็คือการทําบุญทําทานขั้นที่2ก็คือการรักษาศีลศีลห้าศีลแปขึ้นไปแล้วขั้นที่3ก็คือการภาวนาหรือการปฏิบัติธรรม ปฏิบัติสมาธิปฏิบัติปัญญาหรือสมถะหรือสมถะภาวานาวิปัสนาภาวานาสมถะภาวานาก็คือสมาธิวิปัสนาภาวานาก็คือปัญญาต้องทํำตามขั้นตามตอนไปข้ามตอนแล้วมันจะทําให้สําเร็จเพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยมันเป็นเหมือนของที่ต้องสนับสนุนกันทานสนับสนุนให้เราไปมีกําลังรักษาศีลศีลก็สนับสนุนให้เรามีกําลังไป ฝึกสมาธิสมาธิก็จะมีกําลังสอนให้เราใช้ปัญญาในหยุดในการหยุดความอยากต่างๆได้ยังต้องทําไปเป็นขั้นเป็นตอนไปถ้าทําตามเป็นขั้นเป็นตอนแล้วรับประกันได้ต่อไปความอยากต่างๆก็จะหมดไปจากใจอย่างแน่นอนนี่คือวิธีการที่จะทําให้การมาเกิดนี้ยุติลงเพราะเรารู้จากพระพุทธเจ้าแล้วว่าการเกิดนี้มันไม่ดีการเกิดนี้มันเป็นทุกข์ ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องไม่เกิดเท่านั้นนี่คือเรื่องราวของธรรมะที่จะมาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พอรอยะถาวาริวาาปุราปาริโุเลติสากะลังเอวเมวะอิตโตชินังเปตานางังอุปกปเิ อิจิตังปะจิตังตุมหังคิเปเมวะสัมมิจโตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามะณิโชติอะระโสยธาสัพพิติโยวิวัชฉันตุสัพพารโขวินัสตุมาเตภวัตวันตาลาโยสุขีทีขายุโกภวะ อพิวาทนสีลิสะนิจังวุธาปจายโนยตาโรธรมมวะทาทันติอายุวันโอสุข า, ามภาลช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวเป็นช่วงที่สะดวกที่สุด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 426คน YouTube พระสุชาติไลฟ์357 YouTube ดรวีแชนเนล59วิทยุออนไลน์8 Club เฮาส์6ผู้รับฟังธรรมะนาคกุติ132คนรวมทั้งหมด988ครับถ้ามีคำถามก็อ่านได้เลย <c oughs> คำถามจากทางยูทู e คุณนัทพลทำไมจิตเหมือนโดนไฟเผากระวนกระวายอยู่ไม่เป็นสุขควรทำอย่างไรดีครับภาวนาพุทโธก็เอาไม่อยู่ครับเป็นเพราะเหตุอันใดครับก็จิตก็เหมือนมือนบ้านเนี่ยแล้วไฟที่เผาบ้านก็คือกิเลสตังหาความอยากต่างๆ พอเวลาเกิดความอยากแล้วจิตมันจะกระวนกระวายกระสับกระสายกินไม่ได้นอนไม่หลับหุนหงิดลำคาญใจเราก็ต้องใช้น้ํามาดับไปน้ําที่ดับภายในใจก็คือพุทโธแต่ถ้าเราไม่เตรียมน้ําไว้มากมีน้ําไม่แค่กระแป้งเดียวมันก็ดับไม่ได้ดัง mm hmm. ั้นตอนนี้เราต้องพยายามอาหาน้ํามาเก็บกักไวเ้เยอะพยายามหมั่นพุทโธอยู่บ่อยๆ อ, อยู่เรื่อย ถ้ามีพุโทโธมีกําลังมากแล้วเวลาเกิดความทุกข์ใจนี้เพียงบริกรรมพุโทโธไปห้านาทีมันก็จะดับได้ถ้าห้านาทีแล้วยังไม่ดับก็แสดงว่ายัางไม่พอก็ต้องบริกรรมไปเรื่อยๆหรือจะถ้าถ้าเบื่อกับพุโทโธก็ใช้การสวดบทสวดมนต์ไปก็ได้สวดอิติปิโสไปร้อยจบนี้สวดไปเรื่อยๆสวดไปเรื่อยๆต้นกว่าความกวลกังวายความกระสรับกระส่ายมันจะหายไป หายแน่ๆถ้าเราไม่หยุดพุทโธถ้าเราไม่หยุดสวดมนต์คำถามต่อไปจากคุณนัททักกรณีการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาโอลิมปิกที่มีการเปิดเปิดเพลงแล้วเต้นตามเพลงนั้นถือว่าเป็นการทําให้ผิดศีลไหมครับถ้าถือศีลแปก็ผิดศีลแปก็ไม่ไปศีลแปดก็ไปวัดกันไม่ไปเดียวโอลิมปิกแต่ถ้าถือศีลห้าก็ไม่ผิดนะ ถ้าอยากยังไปยังอยากไปเที่ยวยังอยากไปสังคมอยู่ก็ถือแค่สินห้าไปก่อนแต่ถ้าไม่อยากจะสังคมไม่อยากจะไปปฏิบัติธรรมก็ต้องถือสินแปไปคำถามต่อไปจากคุณสุกัญญาถ้าเราจเจริญสติจนชํานาญใจจะสงบเย็นและจิตจะพิจารณาจนเกิดปัญญาถูกต้องไหมครับก็มันเป็นการกระทำสองอย่างแยกกันไม่ได้ทําร่วมกัน บืงต้นทำอย่างเดียวก่อนทำสตินั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบนานๆแล้วหลังจากที่ได้สมาธิออกจากสมาธิมาใจยังนิ่งสบายอยู่ก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นให้เห็นว่าตัณหาความอยากเป็นตัวที่พาให้เกิดความทุกข์ใ จ, จตา่างๆคำถามต่อไปจากคุณประพันธ์ การปฏิบัติธรรมที่ห้องในวันหยุดช่วงเช้าได้ไปทำบุญใส่บาตด้วยควรไหมครับหรือให้อยู่แต่ที่ห้องปฏิบัติธรรมอย่างเดียวครับถ้าเราต้องการความเข้มข้นเราก็าพักการทำบุญทำทานไว้ชั่วคราวเพราะเราต้องการ ส, สารวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสเวลาเราออกไปทำบุญใส่บาตเราก็จะเห็นคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ มันก็อาจจะทำให้เกิดตันหาความอยากขึ้นมาได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดตันหาความอยากถ้าเราต้องการที่จะทำใจให้สงบก็ควรที่จะเก็บตัวเองไม่ควรที่จะออกไปวุ่นวายกับใครทานวมตาหูจมูกนิ้นกายอยู่ที่ภาคของปฏิบัติของตนไปจะได้ประโยชน์กว่าคำถามต่อไปจากคุณกัณ น, นิกาอยากทราบการนั่งสมาธิที่ถูกวิธีและได้ผลคือความสงบครับ เขต้องมีสติก่อนต้องฝึกสติก่อนถ้าไม่มีสตินั่งยังไงก็ไม่มีวันสงบได้ถ้ามีสติอยู่ในระยาบทใดมันก็สงบได้ฉะนั้นพยายามฝึกสติพยายามบริกรรมพุทโธไปทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปทําอะไรก็พุทโธไปถ้าอย่างนี้เวลามานั่งสมาธินั่งหลับตาพุทโธเดี๋ยวเดียวจิตก็สงบได้คําถามต่อไปจากคุณครีม อยากทราบวิธีทําสติให้ดีมากขึ้นในแต่ละวันนอกจากพุทโธขอกลับหลวงพ่อขอยกตัวอย่างวิธีอื่นๆเพิ่มเติมที่สามารถทำควบคู่กับการทำงานในแต่ละวันด้วยนะครับก็ดูว่าร่างกายเรากาลังทำอะไรอยู่กำลังล้างหน้าแปรงฟันก็ให้อยู่กับการล้างหน้าแปรงฟันไปอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้กาลังกินอาหารก็อยู่กับการกินอาหารไป กำลังทำอะไรถ้าไม่ต้องใช้ความคิดก็อย่าไปคิดถ้าทำงานแล้วต้องคิดก็ให้อยู่กับความคิดของงานอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องอื่นอย่างนี้ก็จะทำให้เรามีสติเวลามานั่งสมาธิมันก็จะสงบง่ายคำถามต่อไปจากคุณทัศนีปัจจุบันบริกรรมพุทโธแล้วรู้สึกว่ามันหน่วงหนวงนึกอะไรก็เชื่องช้าไม่ตรงกับปัจจุบันครับกราบขอคาแนะนาด้วยครับ มันเป็นเพราะว่าเรามันมันปล่อยให้มันหน่วงเองบางทีแค่เรามีสติมีพุโทโธนี้มันจะไม่หน่วงมันจะคล่องแคล่วว่องไวเน้นอาจจะทำทำยังไม่พอพุโทโธยังมีน้อยมากต้องทําพุโทโธให้มากๆขึ้นไปก่อนคําถามต่อไปจากคุณณรินโชธการฝึกสมาธิมีกี่แบบครับมีอะไรบ้างครับ ก็ไม่รู้ว่ากี่มีกี่แบบเออแล้วแต่การฝึกสมาธินี้มันต้องมีสติทําใจให้นิ่งไม่ให้ใจคิดนี่สติเนี่ยมันมีหลายแบบมันมีใช้พุโทโธก็ได้ใช้ดูลมหายใจเข้าก็ได้ใช้การสวดมนต์ก็ได้ใช้การฟังเทศฟังธรรมก็ได้นี่วิธีเจริญสติมี ม, มีมีหลายแบบด้วยกันะ แต่การนั่งสมาธินี่ก็มีวิธีเดียวก็นั่งเฉยๆนั่งหลับตาแต่จะใช้สติแบบไหนนี่ก็แล้วแต่จะถนัดใช้พุโทโธก็ได้ใช้สวดมนต์ก็ได้ใช้ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้คำถามต่อไปจากคุณประพันธ์การปฏิบัติธรรมโดยให้นั่งเฉยๆหกชั่วโมงสามารถนั่งสวดมนต์ไปเรื่อยๆสลับกับการฟังธรรมได้ไหมครับสวดได้แต่ไม่ฟังธรรม คือไม่ต้องการใช้สิ่งภายนอกใช้สิ่งที่มีอยู่ในตัวเราจะสวดมนต์ก็ได้หรือจะน้อมนึกถึงพระธรรมคาสอนของพุทธเจ้าก็ได้เช่นถ้าเราท่องบทธรรมจักได้หรือท่องบทสติปัฏฐานสูตรได้ก็เป็นเหมือนการฟังธรรมเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ต้องการให้อาศัยรูปเสียงกลิ่นรสภายนอ ก, านอกมาเป็นเครื่องมือต้องการให้ใช้สติใช้ปัญญาที่มีในในตัวเราเป็นเครื่องมือเพียงอย่างเดียว คำถามต่อไปจากคุณอน้นในการปฏิบัติธรรมเราควรตั้งเป้าหมายว่าจะหลุดพ้นจากทุกข์ให้ได้ภายในชาตินี้หรือเราไม่ต้องการตั้งเป้าหมายเพียงแต่แค่ปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิทําใจให้สงบไปเรื่อยๆโดยไม่คาดหวังผลครับก็ต้องตั้งเป้าหมายอยู่ที่การปฏิบัติว่าเราจะพยายามปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่เราจะปฏิบัติได้แล้วปฏิบัติตามขั้นตามตอนไป ขั้นต้นเราก็ถ้าเรายังมีเงินทองอยู่ก็เ้าต้องอทําอย่าไปใช้เงินทองเป็นเครื่องมือถลาดเงินทองได้ก็สลาดไปแล้วก็รักษาศีให้บริสุทธิ์แล้วก็พยายามเจริญสตินั่งสมาธิบ่อยๆแล้วหลังจากนั้นถึงค่อยไปทางปัญญาต่อไปอคำถามต่อไปจากคุณนัฐพน อ, อาการที่ผมเป็นแบบกระวนกระวาย เป็นเพราะกรรมเก่าด้วยใช่ไหมครับมันก็เป็นจะเป็นอะไรก็ไม่ต้องไปกังวลแต่ที่แน่ๆก็คือเป็นเพราะกิเลสความกังวลกวยเกิดจากความอยากต่างๆอยากมีอยากเป็นหรืออยากไม่มีอยากไม่เป็นมันก็จะทำให้เราเกังวลกาวายขึ้นมาดังนก็หยุดมันด้วยการใช้สติใช้สมาธิแล้วก็ใช้ปัญญาตามขั้นตอนต่อไปคาถามต่อไปจากคุณมงคล นั่งแล้วไม่รู้ลมหายใจรู้สึกตกใจถ้าจะเดินต่อไปต้องยึดสิ่งใดครับอย่าไปตกใจให้กลับมาตั้งสติใหม่ก็ดูที่จุดเดิมใหม่ดูจุดที่เราดูลมถ้าไม่มีลมให้ดูก็ดูดเฉยๆดูความว่างไปหรือว่าตอนนี้ไม่มีลมให้เราดูแต่ไม่ต้องตกใจถ้าตกใจก็พยายามดึงใจกลับมา ถ้ายังทำให้ใจหายตกใจไม่ได้ก็ใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธช่วยก็ได้คำถามต่อไปจากคุณพีพีสติปฐานสีแตกต่างกับพุทโธอย่างไรครับออสติปฐานสีนี่เป็นเป็นหลักสูตรที่สอนวิธีเจริญสตินั่งสมาธิวิธีเจริญพิจารณาปัญญาเพื่อให้หลุดพ้นมันเป็นหลักสูตรใหญ่ส่วนพุทโธนี่เป็น แค่เป็นวิทยานเจริจสติอย่างหนึ่งเท่านั้นเองพอแล้วนะโอเคใครอยากจะถามอะไรไหมเชิญถามได้นะถ้ า, าสงสัยอะไรอยากจะรู้เรื่องอะไรถ้าตอบได้ก็ยินดีที่จะตอบให้ถ้าตอบไม่ได้ก็ต้องขอปฏิเสธเดี๋ยวรอสักพักอาจจะมีกำลังพิมพ์ข้อความเข้ามาอยู่ก็ได้ นอนสักนาทีหนึง่งถ้ามีข้อความเข้ามาเมื่อไหร่ก็พูดถามได้เลยคำถามต่อไปจากคุณครีมการที่ชอบไปเที่ยวพร้อมครอบครัวเพราะอยากพาลูกไปตามวัยแต่ถ้าเป็นการไปเพราะความอยากแล้วเราควรทำอย่างไรครับก็มันอยู่ที่ว่ามันเป็นหน้าที่ของเราหรือเปล่า ถ้าเป็นหน้าที่ก็ต้องทําไปก่อนถ้าไม่อยากจะทําหน้าที่ก็หนีไปบวชได้แบบพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องมาทําหน้าที่ก็อยู่ที่เราต้องเลือกเลือกทางเดินของเราว่าเราจะเดินไปในทางไหนคําถามจากผู้รับฟังหน้ากุติครับการฝึกอนาปานาสติที่ถูกต้องทําอย่างไรครับ ให้ดูลมที่เข้าออกที่ปลายจมูกหรือที่บริเวณเหนือริมฝีปากเข้ามาเป็นเป็นที่ที่ลมมันสัมผัสกันรับรู้ลมได้ตรงจุดนั้นก็เฝ้าดูอยู่จุดเดียวอย่าตามลมเข้าอย่าตามลมออกให้ดูเฉยเฉยไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องบังคับให้ลมหายใจลึกๆยาวๆหรือสั้นๆปล่อยให้ลมหายใจตามธรรมชาติของเขา เรามีเพียงแต่หน้าที่คอยดูลมเพื่อผูกใจเราไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆตอนที่ทำอนาปนสติถ้าทำไปแล้วเกิดอาการคิดนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆทั้งเรื่องเก่าและเรื่องอนาคตพยายามแล้วแต่ไม่สงบจะแก้ไขอย่างไรครับก็หยุดดูลมก่อนแล้วมาใช้การสวดมนต์สร้างสติขึ้นมาก่อนสวดอิติปิโสไปเรื่อยๆ จนกว่าเราจะรู้สึกว่าใจไม่ไมคิดเรื่องอะไรแล้วเราค่อยมาดูลมใหม่ใช้การสวดมนต์สกัดความคิดฟุง้งซ่านต่างวันคำถามต่อไปจากคุณศรัทธามนุษย์ผู้ประเสริฐเป็นมนุษย์ประเภทไหนครับมนุษย์ที่รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วรู้บาปบุญคุณโทษนโลกสวรรค์เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐ คำถามต่อไปจากคุณบีการบรรจุพระธาตุมีเหตุผลหรือข้อดีอย่างไรครับคือพระธาตุนี้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าไงเวลาพระพเจ้าตายไปแล้วเขาเอาร่างของท่านไปเผาก็จะมีกระดูกบางบางส่วนนี้จะกลายเป็นพระธาตุขึ้นมาคือกลายเป็นหินกลายเป็นอั ญ, ญมณีขึ้นมาเราก็ใช้เราก็เก็บพระธาตุนี้ไว้เป็นที่เราเลึกถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นเอง เราก็มักจะใช้การสร้างเจดีย์เป็นที่บรรจุพระธาตุเพื่อที่เราจะได้มีพุทธานุสติเป็นที่เตือนใจเราว่าครั้งหนึ่งในอดีตที่ผ่านมามีพระพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอันประเสริฐได้มาเกิดในโลกนี้ได้ได้ น, นำธรรมะอันประเนนะสริฐมาสั่งสอนให้แก่สัตว์โลก mm. สิ่งที่ผู้ที่เห็นพระธาตุดูกรพระธาตุควรจะพิจารณาก็คือว่าคำสอนของพระพุทธเจ้า สอนอะไรบ้างควรจะศึกษาเป้าหมายของพระเจดีมีไว้เพื่อให้ดึงดูดความสนใจที่จะศึกษาคำสอนเพราะถ้ากาศพระท่าเฉยๆมันไม่มีประโยชน์อะไรมากต้องศึกษาคำสอนและปฏิบัติตามคำสอนก็จะได้รับประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่คือได้หลุดพน้นได้วิมุตติได้นิพพานคำถามต่อไปจากคุณนรินโชธถ้าเราตายจากโลกมนุษย์นี้ไปแล้ว วิญญาณของเรายังมีหน้าตาเหมือนตอนที่ยังอยู่บนโลกมนุษย์ไหมครับวิญญาณมันไม่มีรูปหน้าหน้าตานะมันเป็นตัวรู้ตัวคิดแต่มันตัวที่สร้างจินตนาการเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาในใจเช่นตอนที่เรานอนหลับเนี่ยวิญญาณหรือใจเนี่ยมันก็จะใช้ความคิดปรุงแต่งจินตนาการสร้างเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาเป็นความฝันให้เราได้สัมผัสรับรู้ฝันว่าเราไปเจอคนนั้นเจอคนนี้ไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่ เจอเหตุการณ์ต่างๆทั้งดีทั้งไม่ดีอันนี้นะคือใจแต่ตัวใจมันเองมันไม่มีรูปร่างหน้าตาเพราะมันเป็นเหมือนความว่างแต่มันมีความสามารถที่จินตนาการภาพต่างๆเหตุการณ์ต่างๆให้ใจได้สัมผัสรับรู้ได้คำถามต่อไปจากคุณสิรีบางครั้งเห็นใจไม่สบายต้องหาเหตุที่ทำให้ไม่สบายใจไหมครับเพราะยิ่งหาก็ยิ่งไม่สบายใจครับ ย่งนั้ก็อย่าไปหามันเลยใช้กิจยาเลยดีกว่าใช้พุโทโธเลยดีกว่าถ้ามันไม่สบายใจก็กแสดงว่ามันใจมันฟุ้งซ่านใจมันอยากกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราไม่มีปัญญาที่จะไปหาเหตุได้ก็ใช้พุโทโธระงับความฟุ้งซ่านไปก่อนแล้วเวลาใจสงบแล้วเราอาจจะมีปัญญาพอที่จะคิดว่าเออเมื่อก่อนนี้เราฟุ้งซ่านเพราะเรื่องอะไรตอนนี้เราไม่ฟุ้งซ่านแล้ว มันก็อาจจะมองเห็นว่าอ๋อที่ฟุ้งซ่านพฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเรื่องครอบครัวเรื่องการงานอันนี้มันก็จะสามารถใช้ปัญญาต่อไปได้แต่ใ น, นเบื้องต้นถ้าเราใช้ปัญญาไม่ได้ก็ทาใจให้สงบก่อนใช้พุทโธระงับความฟุ้งซ่านก่อนคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ทำไมจึงไม่ค่อยเห็นคนที่กำลังจะตายร้องไห้เห็นแต่ลูกหลานข้างหลังข้างข้างเตียงที่ร้องไห้ครับมันร้องไม่ไหวมันกมันจะตายนะมันไม่มีแรงจะร้องมีก็บางคนมันคนจะตายร้องโอดโรคุณค้างนะเขาก็ร้องไห้อยู่แต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้เห็นคนใกล้จะาตายาเขาก็เป็นอย่างไรนะบางคนก็ตายแบบภูมิฟามันก็มีบางคนก็ตายแบบสงบแต่ละคนตายไม่เหมือนกัน ก็อยู่ที่จิตของแต่ละคนว่าปล่อยวางได้ไหมถ้าปล่อยวางได้ก็จะตายอย่างสงบถ้าปล่อยไม่ได้ก็จะตายแบบวุ่นวายใจคำถามต่อไปจากคุณชนะพัฒ์ถ้าปัจจุบันเราปฏิบัติสินห้าได้ครบถ้วนแต่ในอดีตเราปฏิบัติได้ไม่ครบอย่างนี้เราจะปิดประตูอบายได้ไหมครับ ถ้าเรารักษาได้ในปัจจุบันเราก็ปิดประตูได้แต่ถ้าโชคไหนถ้าเรารักษาไม่ได้มันก็ยังไปอับายไดย้่ต้องรักษาได้ตลอดเวลาถึงจะปิดประตูอับายได้คำถามต่อไปจากคุณสินจิราคนที่บ้านเป็นมะเร็งขั้นที่สี่ที่คนลิ้นหมอให้ทำาคมและฉายแสงซึ่งทรมานมากครับปากกลืนกินอะไรไม่ได้เลย แต่ถ้าไม่รักษาก็จะไม่รอดแต่รักษาก็ไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือไม่ครับควรทำใจอย่างไรครับควรตัดสินใจอย่างไรครับถ้าเป็นตัวของเราเองก็เราก็ต้องตัดสินใจเอาว่าจะาทางไหนาทางที่ดีที่สุดก็คือยอมตายนะถ้ายอมตายแล้วใจก็จะสงบถ้ายังไม่ยอมตายอยู่มันใจก็จะทรมานไม่ว่าจะรักษาหรือไม่รักษาก็ตาม ถ้ายอมตายแล้วรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้ท่านรักษาแล้วมันทรมานกว่ไม่รักษาก็ก็ไม่รักษามันดีกว่าหมาแล้วนะโอเคคิดว่าสมควรแก่เวลาสําหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนํำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด